แม่งเมามงเมาเยอะแล้วก็ปิดไฟ ấy, หมดเลยก็ได้เนาะข็อนอมน้อมต่อคุณพระรัตนตรัยโอกาสพระอาจารย์สงสินเพื่อนสถรมิทุกท่านเจริญธรรมไม่ชี้และญาติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันวิสาขบูชาในวันที่สิบพฤษภาคมสองพันห้า้อยหกสิบเป็นวันที่ตรงกับวันประสูตรตรัสรู้ ปริญญานิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆแล้ววันนี้ที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นวันตัศนรู้นั่นเองเนาะเพราะว่าถ้าไม่มีการตัศนรู้แล้วก็คงไม่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่ทรงตัศนรู้แล้วก็ได้ทรงนำธรรมะออกสั่งสอนประชาชนให้ได้รับความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถเข้าถึงธรรมได้มากมาย แต่คําสั่งสอนของพระเจ้านั้นนะถ้าจับหลักสําคัญแล้วที่พระองค์ส่งสั่งสอนเป็นหลักก็คือให้รู้จักกับความทุกข์และความดับทุกข์นั่นเองนะคือจะตรงเนี้เป็นหลักอยู่ที่ว่าท่านดูผู้ใดที่เหมาะสมะถ้ามีปัญญามากท่านจะแสดงธรรมตรงๆไปเลยในเรื่องความทุกข์และความดับทุกข์แต่ถ้าดูแล้วพวกนั้นก็ยังไม่อาจจะเข้าได้ง่ายก็ทรงแสดงเรื่องอื่นไปก่อนเนาะ เรื่องต่างๆความการแบ่งเพนฐานบ้างเรื่องสวรรค์ต่างๆบ้างแต่ใน่สุดก็มาสรุปบ้าต้องมีการเพื่อความดับทุกนั่นเองเนเพราะนั้นถ้าเร า, าจับหลักของภาษานาได้แล้วก็คือให้เรารู้จักความทุกข์ประการแรกเนาะต้องรู้จักความทุกข์ก่อนเมื่อเรารู้จักความทุกข์นั้นเราก็ต้องหาทางบรรลุเพื่อถึงซึ่งความดับทุกข์นั่นเอง ดังที่มีอยู่ในอริสัตถีคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนาะครั้นี้นะอย่างที่เราเคยสวดในการทาวัดเช้าเนาะว่าความทุกข์มีอะไรบ้างก็มีชาติปีทุขาความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปีทุขาความแก่ก็เป็นทุกข์เมื่อนำปีทุขขังความตายก็เป็นทุกข์โศกปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาปีทุขา ความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การพลัดพากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นๆก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้านี่แหละเป็นตัวทุกข์เนาะ ทำไมต้องมีคำว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5ก็เพราะว่าขันธ์ทั้ง5ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือกายและใจนี้เนาะเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเรานั่นเองเขาเรียกว่าเป็นอุปทานเพราะฉนั้นการที่เราไปยึดมั่นนั่นแหละก็คือตัวทุกนั่นเองเนาะคราวนี้ความทุกเนี่ยมื่แยกออกเป็นประการ2ประการก็คือกายและใจเนาะกายก็คื อ, อาการที่เรา เช่นเรานั่งอยู่เราก็มีความปวดเมื่อยเป็นตนนะ้นเนาะหรือว่ามีความง่วงมีความหิวนะต่างๆ่างเราเนี่ยตอนนี้ก็คือสิ่งที่เป็นความจริงไหมมันก็คือความทุกข์ใช่ไหมแต่ความทุกข์เนี่ยมันมันเป็นความทุกข์กายเป็นของที่เรียกว่าเราดับไม่ได้นะเราแค่บรรเทาทุกข์เท่านั้นเอง <c oughs> ตอนนี้ถ้าเราเมื่อยเดี๋ยวเราก็ต้องลุกขึ้นมาเดินก็แก้ทุกข์ได้ในทสุดก็ต้องกลับมานั่งมานอนใหม่หมา หิวข้าวก็ไปทานก็หิวใหม่ก็ต้องกลับมาทานใหม่ง่วงก็ไปนอนก็กลับมาต้องมานอนใหม่ก็คือมันทุกอย่างทางกายนี่แหละมันแก้ไม่ได้นะปเป็นทุกประจําสังขารอยู่แล้ว <c oughs> คือความแก่ความเจ็บความตายนะความที่มันจรมาต่างๆมากมายเป็นเรื่องที่เราแก้ทุกไปเท่านั้นเองนะส่วนความทุกข์ <c oughs> อีกอย่างนะึ่งคือความทุกข์ใจ ความทุกข์ใจนี่เป็นสิ่งที่ อ, อันตรายนาให้คนฆ่าตัวตายได้มากมายเนาะแต่ว่าความทุกข์กายไอความทุกข์ใจนี้นะถึงว่ามันจะมีความร้ายแรงกว่าแต่สามารถที่จ ะ, จะดับได้ทาวรเพราะนั้นพระอรหันต์นั้ น, นท่านก็มีความทุกข์ในทางกายเท่านั้นแต่ความทุกข์ใจ่างท่านไม่มีแล้วเนาะมั น, เ ป, นเป็นการดับทุกข์ที่แท้จริง เพราการที่เรามาปฏิบัติธรรมหรือในศาสนาพุทธหมดก็คือมาสู่การดับทุกข์ในทางใจนั่นเองเนาะแต่ความดับทุกข์อันนั้นก็ยังไม่ใช่ความดับทุกข์ที่แท้จริงที่ว่ามันจะดับตรงไหนกันแน่ใช่ไหมจริงๆก็คือการดับกิเลสในใจเรานั่นแหละให้มันหมดสิ้นไปนะเมื่อเราดับกิเลสในใจเราหมดสิ้นไปแล้วตรงนี้ก็ทุกข์จากการที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอันนับพรมนับชาติไม่ทื่อนก็จะดับไปด้วยนะ มันก็คือการที่กลับมาดับทุกข์หรือดับกิเลสในใจเรานั่นเองก็ปเป็นความเล่าล้อนก็ปเป็นเหตุนําเรามีการไปเกิดเวียนว่ายตายเกิดนภะชาติไม่ท้วนอันมีอกุศลมูลก็คือความโลภความโกรธความหลงนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือสาเหตุอภรรการสําคัญที่เราจะต้องมาปฏิบัติธรรมกันครั้นี้ <c oughs> ครั้นี้เราจะปฏิบัติธรรมได้อย่างไรนะจริงๆแล้วก็มีคําสอนของพระเจ้ามากมายนะในเรื่องอของ อิลีสัสสีบ้างปฏิจจสมุบบ้างปฏิจจสมุบบาทบ้างนะหรือว่าคำสอนอื่นๆแต่ว่ามีคำสอนที่ชัดเจนอยู่กรณีหนึ่งที่เราเมื่อกี้ก็เพิ่งสวดจบไปแล้วนะก็คือพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสติปัฏฐานสีให้แก่หมู่ชนชาวกุลุคราี้ตรงนี้ว่าสำคัญอย่างไรพระเจ้าก็ยืนยันว่านี่แหละผู้ใดปฏิบัติตามนี้ก็สามารถบรรลุถึงซึ่งความเป็นพระอรหันต์ได้ หรือหากว่าไม่บรรลุก็สามารถเป็นพระนาคามีได้เป็นหนทางอันเองเนาะครั้นนี้นะสติปัฏฐานสี่ประการเนี่ยก็สรุปยอ่ยอๆว่าก็คือให้รู้จักกายเวทนาจิตธรรมนะเรื่องเลียกแต็มๆว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานแล้วก็ธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานเนาะก็คือการที่เราตามรู้กายรู้ใจนั่นเองเนาะ กายกายากายนะนุ ป, ปัสนุอนุก็คือการตามปัสนาก็คือการรู้ <c oughs> คือการตามรู้กายเนาะตามรู้กายและตามรู้ใจคร น, นี้จะตามรู้ได้อย่างไรเนาะอันนี้ที่เราสวดไปในในข้อสติปัฏฐาน4บทแรกนะก็คือการตามรู้ในอีบทใหญ่ก็คือนะเดินก็รู้ว่าเดินนั่งรู้นั่งนอนก็รู้นอนเนาะก็คือรู้อาการกาย นะความรู้สึกในขณะนั้นว่าเรากาลังทำอะไรอยู่เนะนาะขณะนี้เรานั่งรู้ไหมว่าเรานั่งใช่ไหก็คือกลับมารู้ในปฏิบัิ ธ, ธรรมนั่นเองว่าขณะนี้กาลังทำอะไรอยู่เนาะจริงๆแล้วคำสอนของพระเจ้านี่ไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยนะไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับหรือว่ามหัศจรรย์จนเราทำไม่ได้เลยนะเป็นเรื่องที่ต้องอนั่งสมาธิได้ชาระดับสูงอะไรทั้งหลายแหลอันนั้นไม่จาเป็นนะ แต่ก็ได้ทรงชี้กลับมาง่ายๆเนี่ยว่ากลับมารู้มไหมขณะนี้กำลังทําอะไรอยู่กําลังยืนเดินนั่งนอนก็คืออยู่ในสิ่งต่างๆที่เราเป็นอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องลึกลับอะไรแต่กลับมารู้มไหมขณะนี้กาลังทําอะไรอยู่เท่านั้นเองนะก็เคยมีพร า, ามมาได้ถามพระเจ้าในเรื่องที่พระบรมในทรงพ้นทุกข์ได้อย่างไรพระเจ้าก็ทรงตัดตอบว่าตถ า, าคตยืนเดินนั่งนอนพร า, ามก็หัวเราะเยาะ ว่าชาวบ้านเขาก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันพระเจ้าบอกไม่เหมือนกันตถาคตยืนก็รู้ยืนนั่งก็รู้นั่งเดินก็รู้เดินนอนก็รู้นอนพรนบอกว่าถ้าเช่นนั้นก็ชาวบ้านก็ไม่รู้นะเพราะชาวบ้านก็ไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่นะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าชาวบ้านไม่รู้นะหรือแม้แต่ตัวเราเรารู้ไหมใช่ไหม ปกติเราเดินนะเราก็เดินด้วยความเคยชินใช่ไหมเดินด้วยความอัตโนมัติแล้วในขณะเดินก็คิดไปนะคิดเรื่องอนาคตเรื่องอดีตะจะไปทํางานทันไหมรถจะติดไหมเย็นนี้ไปกินข้าวที่ไหนพรุ่งนี้ไปเที่ยวที่ไหนดีเมื่อกี้ปิดไฟปิดน้ำหรือ ย, ยังแต่ว่าไม่ได้รู้เลยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่นะนี่คือความจริงของคนทั่วไปเป็นเช่ น, นั้นเองก็คือไม่รู้ว่าขณะนี้กำลังทําอะไรอยู่ เพราะนั้นพระวิจ้าก็เลยกลับมาบอกว่าให้รู้ไหมกลับมารู้นั่นเองนะกลับมากลับมาปฏิบัติก็คือกลับมากลับมารู้ว่าขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่เนาะเพราะฉะนั้นขณะนี้ถ้าเรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่อันนี้ชื่อว่าเราได้ไปปัตยธรรมแล้วเนาะต่อมาก็ให้ทรงรู้ในรายละเอียดปีกย่อยลงปีกนะก็คืออีโบต่างๆที่เป็นของย่อยอันเรียกได้ว่าเป็นสัมพัญญะปัพะ ก็คือกลับมารู้ในการเหลียวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังคู่แขนเหยียดแขนก้มเงยทรงจีวรสังฆาติดื่มลิ้มกินเคี้ยวอุจจะละปัสสวะก็ให้กลับมารู้สึกตัวในขณะนี้เราทำอะไรอยู่เนาะเป็นอิริยาบถย่อยต่างๆที่เราสามารถที่จะรู้ทันในตรงนี้ได้เนาะก็คือถ้าว่าขณะนี้ใครนะมีการสร้างยังบะหรือพลิกมือคว่ำพลิกมือหงายลึงนิ้ว ตรงนี้ก็คือ อ, อีกอีกบทย่อยต่างๆนะเราก็กลับมารู้ในสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเองนะว่า ก, กาลังทำอะไรอยู่นะอืเพราะว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราเราสังเกต น, นะคําสอนพระเจ้าไม่ได้ไปไกลนะให้กลับมารู้ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันของเราขณะขณะนี้หรือชีวิตประจำวันของเรานั่นเองแต่ว่าให้รู้ในในทางกายก่อนนะทางกายนี่แหละ เพราะว่ากลายเป็นสิ่งที่เรารู้ง่ายใช่ไหมเรายืนเดินนั่งนอนอยู่แล้วเ ร, เราดื่มกินพูดคิดนะ ท, ทนะาํานู่นทํานี่กวาดบ้านถูพื้นนะหรือไม่ก็เย็บปักถักร้อยนะทําการทํางานที่มันไม่ต้องใช้ความคิดนะเราก็กลับมารู้ในตรงนั้นเท่านั้นเองนะมันก็เป็นสิ่งให้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันว่าขณะนี้กำลังทําอะไรอยู่เนาะคราวนี้ถ้าเราดูว่าทําไมต้องเป็นแบบนี้ เพราะว่าสมก็เรานั hmm. <on. S 2> like toujours, ่งเฉยๆนั่งนิ่งๆนะใจเราใจใจใจเราใจลอยคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยๆนะโดยที่บันทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจคิดนะแต่ตั้งใจคิดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าโดยสังเกตแล้วเราก็จะรู้ว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจคิดแต่เข้าเอาคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยๆนะด้วยความเคยชินนะเป็นความเคยชินที่เราชินมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วก็เป็นรู้แต่ว่าความเคยชินนั่นแหละมันก็นาทุกข์มาให้เราเนาะ โดยที่เราไม่อาจจะสังเกตได้แล้วก็เป็นความปรุงแต่งเป็นอารมณ์ต่างๆมากมายซึ่งเราก็แม่สังเกตได้เหมือนกันนะมันจะคิดไปในเรื่องต่างๆมากมายเนาะอันนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าเป็นความหลงไปนะความหลงเพลิดเพลินไปในอารมณ์ต่างๆที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเนาะหรือจากการที่ตาเราเห็นรูปหรือหูได้ยินเสียงก็ดีมันก็เข้ามาทางประตูเหล่านั้นเข้ามาสู่ใจแล้วก็ไปปรุงแต่งต่อนะ มันเป็นเช่นนี้อยู่แล้วซึ่งมันแก้ไขไม่ได้ผู้เจ้าได้ทรงหาคนทางที่จะให้เรามาดับตรงนี้ตรงนั้นเ้าเรียกวความหลงนะความหลงแต่สิ่งที่จะมาเป็นคู่ปรับกับความหลงก็คือความรู้นั่นเองนะความรู้นั้นอย่างที่ได้บอกแล้วว่าก็คือกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะเพราะเมื่อเรานั่งนิ่งๆมันก็จะไหลไปในความคิดแล้วก็สังเกตไหมว่าความคิดนั้นก็จะเข้าไปในอดีตหรือนาคตเป็นส่วนใหญ่ นะมันจะไม่ได้กลับมารู้เลยว่าขณะนี้กําลังคิดอยู่ครณะนี้วิธีการก็คือกลับมารู้ขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่นะกําลังเกิดอะไรขึ้นในกายและใจเราเท่านั้นเองอื <c oughs> ขณะนี้เราคิดอยู่เรารู้ไหมวิธีการที่เราจะรู้ว่าเราคิดไปแล้วหรือ เ, เราหลงไปแล้วก็คือกลับมาอยู่กับปัจจุบันก่อนปัจจุบันนี้ก็คือกลับมาที่กายนั่นเองว่าขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่นะขณะนี้นะ สมมติเรานั่งนิ่งๆแล้วเนี่ยความรู้สึกตรงนี้มันจะไม่ชัดเพราะเป็นความเคยชินที่เรานั่งมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วนีมันมันไม่ชัดเจนก็เลยมีวิธีที่จะกลับมาให้รู้สึกตัวนะก็โดยการอัヤพิกมือคว่ำพิกมือหงายกระทบนิ้วคลึงนิ้วนะหรือว่ายกมือสร้างหยาวบในขณะนี้เป็นต้นเพื่ออะไรเพื่อว่าให้มีความรู้สึกอะไรบางอย่างซึ่งเกิดขึ้นมาจากการที่เราสัมผัสรู้มีการเคลื่อนไหว ในการที่จะรับรู้ในตรงนั้นนั่นะ้เาเรียกว่าเราก็ไม่อยู่นิ่งอาศัยกายนี่แหละมีการกระทบรู้มีการสัมผัสรู้มีการเคลื่อนไหวรู้เนาะเพราะฉะนั้ น, ะนเมื่อมกายมีการเคลื่อนไหวเช่นเราอาจจะทําเล่นๆ น, นะขมพลิกมือควมม่ำพลิกมือหงายนะตีนะกระทบนิ้วสิ่งเหล่านี้เพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะเราจะสังเกตได้ว่าใจเนี่ยมันจะกลับมาตรงตัวรู้นั้นนะกลับมาตรงตัวรู้นั้น เมื่อใจมีเครื่องอยู่คืออาศัยกายเป็นเครื่องรู้แล้วตรงนี้ก็เรียกว่าใจมีงานมีงานทามีที่สังเกตของใจนะเาเรียกว่าเป็นวิหารธรรมก็คือเครื่องอยู่ของใจก่อนเครื่องอยู่งใจนี่เราก็ไม่ได้ไปบังคับเขานะให้เขานิ่งๆให้เขาสงบอะไรอันนั้นเป็นการบังคับเขาแต่มีการให้เขาอยู่แบบสบายๆให้เขามีมีความโล่งโปร่งให้มีการผ่อนคลายมีความรู้ตรงนั้นที่สบายๆในะตรงนั้นเกิดขึ้นมาเนาะ เมื่อมีความรู้ที่สบายๆจิตก็ไปอิสระจิตมันจะมีสภาวะที่มันรู้เฉยๆรู้ซื่อๆนั่นเองนะถ้าเราพลิกมือคว่ำพลิกมือหงายสบายๆเล่นๆจิตมันก็จะสบายไปด้วยนะถ้าเราไปเพ่งไปจ้องจิตมันก็ไม่สบายแต่เราพลิกเล่นๆสบายๆแล้วจิตก็จะมีความสบายมีการผ่อนคลายเราสังเกตดูไหมว่าตรงเนี้ยมันเป็นการรู้ซื่อๆรู้เฉย ๆ, ๆโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเลยมันเกิดภาวะรู้ซื่อๆรู้เฉยๆขึ้นมา เพราะเราออกจากความคิดได้น okay, so no, so no really exactly. no like ั the ่นเองนะความคิดก็คือการที่มันหลงไปแต่คู่ปากของความหลงก็คือความรู้เมื่อเรากลับมารู้แล้วความหลงก็ดับไปนะแต่ว่าก็ไม่ต้องไปบังคับกันนะว่าต้องไม่หลงนะเขาก็หลงได้แต่ว่าสังเกตดูไหมเขาก็จะกลับมากลับมาเพราะเรามีเครื่องให้เขาอยู่แล้วมีกายนะที่สามารถที่จะให้เขาสัมผัสรู้ให้เขากระทบรู้ให้เขาเคลื่อนไหวรู้ในตรงเน้นเขาก็จะกลับมากลับมา มันก็เกิดการชักกระเย่อเกินขึ้นระหว่างความหลงและความรู้นะเมื่อก่อนมันจะมันจะไม่มีการชักกระเยอนะมันจะหลงไปยาวหลงไปยาวแต่เมื่อเรามีกายเป็นเครื่องรู้แล้วเขาก็จะกลับมาได้ง่ายขึ้นมันก็เป็นการชักกระเย่อไปชักกระเย่อมาเาเนะี่ยตรงนี้จากการที่เขาชักกระเย่อเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการที่เราระลึกได้เราระลึกได้นี่แหละคือสติในนวโกบายบอกว่าสติก็คือการระลึกได้นะ สัมผชัญญก็คือการรู้สึกตัวเาเมื่อเราสามารถที่จะระลึกได้ว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นะเราเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาอันเนี้ยเขาเรียกว่ามีสติมีสัมผชัญญะแล้วนะเราสามารถระลึกได้ว่าเราคิดไปเราหลงไปนี่ก็เป็นสติเป็นสัมชััญญาแล้วนะเพราะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ง่ายๆนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากอะไรบางคนบอกสติคืออะไรต้องไปตามหาไม่จาเป็นแค่เราระลึกได้ว่าขณะนี้กาลังทำอะไรอยู่ใน ในกายเรานะหรือจิตใจเรามีความคิดไปเรารู้ทันขณะนี้เราหลงคิดไปแล้วนะเรารู้ทันนี่แหละคือสติแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อใจมีเครื่องอยู่คือกายมีการเคลื่อนไหวบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีเครื่องอยู่ของใจเครื่องอยู่ของใจปั๊บเนี่ยเขาหลุดไปเขาจะกลับมาหลุดไปก็จะกลับมานี่มันก็จะกลับมาได้เรื่อยๆอันนี้คือการปฏิบัติเนาะ เพราะนั้นเราก็อาศัยกายในเป็นเครื่องอยู่นะในการที่เรียกว่าเรายืนเดินนั่งนอนต่างๆเราเนี่ยก็ใส่ตรงนี้เช่นการเดินยังกลมบ้างเนาะหรือว่าการทำนิบทต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้วตรงนี้พระเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้ว่าให้เราไปทําที่วัดหรือว่าทำที่สํานักบิปัติธรรมแต่การแสดงธรรมในตรงเนี้สมัยก่อนจะไม่มีวัดมากมายคือท่านให้อยู่เราอยู่ในชีวิตประจำวันเรานั่นเองนะคือตั้งแต่ตื่นนอนแล้วนะก็รู้สึกตัวนะ เดื่มกินพูดคิดทั้งหลายนะในชีวิตประจาวันของเราจนถึงเข้านอนแต่การทําเช่นนั้นนะคือโดยทัท่วไปชาวบ้านไม่อาจจะทําต่อเนื่องกันได้นะก็คือต้องไปทําการงานบ้างแล้วก็ไม่เคยชินที่จะมารู้สึกตัวเช่นนั้นได้ไบ่อยๆนะก็จะหลงไปได้มากขึ้นแล้วก็การปฏริบัติต่างๆก็จะไม่ต่อเนื่องกันเนะช่นบางทีเรากวาดพื้นซัก ห้านาทีก็จบแล้วแล้วจะไปทํำอะไรต่อใช่หไหมก็ต้องหางานทําอื่นต่อไปซักผ้าอีกสักสินาทีก็จบแล้วแล้วไปทํำอะไรต่อใช่หไหมก็คือมันก็ไม่เกิดการต่อเนื่องเพราะหลังนั้นก็จะนั่งเฉยแล้วก็จ ใ, จใจลอยไปเพราะงั้นก็เลยมีวิธีการที่เรียกว่าเราก็ทําให้ต่อเนื่องกันนะโดยวิธีการที่โลงงเทียนนั้นก็ได้นําเสนอกับพวกเราให้มีการสร้างยังบะ14บส่ยังวะเป็นต้นเพื่อให้กลับมารู้สึกตัวได้บ่อยๆได้ต่อเนื่องกันนะเป็นการฝึกในรูปแบบนะ เดินจงกลมบ้างสร้างยางว่าบ้างนะตรงเนี้ยเพราะโดยวิธีการนี้เราก็สามารถจะทําได้บ่อยๆหรือจะทําทั้งวันก็ได้เป็นการฝึกที่ให้เรียกว่าจิตเกิดความเคยชินเกิดทักษะในการที่จะกลับมารู้สึกตัวในการที่จะรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆเหมือนกับเราฝึกภาษาอังกฤษนะเราต้องมีการฝึกพูดบ่อยๆพูดบ่อยๆ อ่านบ่อยๆใช่ไหมเราก็ทำได้พูดได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นนะเพราะเมื่อเมื่อเราสามารถที่จะมีรูปแบบในการปฏิบัติธรรมแล้วจิตก็มีเครื่องอยู่เครื่องอาศัยได้บ่อยขึ้นเราก็ได้ต่อเนื่องกันได้มากขึ้นเราก็จะกลับมารู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นได้มากขึ้นนั่นเอง <c oughs> เพราะนั้นเมื่อเรากลับไปที่บ้านแล้วจากการที่เราอ่ามันเคยกลับมาแล้วนะเขามีทักษะในการกลับมารู้ขณะนี้กลังทำอะไรอยู่นะ กายทำอะไรอยู่ใจทําอะไรอยู่เนี่ยตรงนี้ก็เรียกว่าความรู้เนื้อรู้ตัวนะรู้เนืรู้ตั ว, นะ ร, ตวรู้กายรู้ใจนะเพราะมันรู้แล้วมันก็คือกู่ปรับกับความหลงนั่นเองเมื่อก่อนเราหลงเยอะนะแต่เมื่อเรารู้เยอะขึ้นความหลงก็จะน้อยลงเราก็จะสังเกตว่าโอ้ตอนนี้นะมันรู้เนื้อรู้ตัวแล้วนะ <c oughs> มันไม่ต้องมากเลยเมื่อก่อนเราจะพูดคุยกับใครนะเราจะหลงไปในคําพูดเราจะพูดด้วยความมันด้วยความสนุกสนาน ด้วยความอินนะตรงนั้นอารมณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นมามากมายใช่ไแต่แค่เรามีสติที่มันจะกลับมาสังเกตนะกายและใจของเราได้การพูดเราก็จะมีสตินะรรู้ว่าเออตรงไหนควรพูดตรงไหนไม่ควรพูดนะหรือแม้แต่เมื่อก่อนเราไม่พอใจเราจะว่าคนอาจจะด่าคนนะเราก็จะรู้ว่าตรงนี้นะเมื่อเรารู้ทัน อ, อารมณ์เราเกิดขึ้นแล้วนะเกิดความโกรธงินเกิดความไม่พอใจ แทนี่เมื่อก่อนเราจะว่าคนตำหนิคนตรงๆเราก็รู้ทันโอ้เราก็ใช้คําพูดที่มันนุ่มนวลที่มันสามารถที่จะปรับปรุงให้เขาดีขึ้นโดยที่เราไม่ไปไปด่าไปว่าเขาคือนี่เป็นสติที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ไม่รู้ตัวเนาะมันจะสังเกตได้นะเออเมื่อก่อนเราเป็นคนนิสัยขี้โกรธนะเนาะตรงนั้นเพราะว่ามันมันเป็นความที่เรารู้ไม่ทันอารมณ์นะแต่เมื่อการที่เราสามารถสังเกตความคิดได้ นะเราสามารถสังเกตความคิดได้ไวเราจะรู้ทันเลยขณะนี้เรากาลังจะโกรธแล้วนะกำลังหุนหงิดกำลังขัดเคืองแล้วนะเราก็สามารถที่จะรู้เท่าทันเมื่อรู้เท่าทันอารมณ์ความโกรธก็จะลดลงลดลงไปนะอันนี้คือกระบวนการต่อเนื่องของสติปัฏฐาน4ี่เมื่อเรามารู้รู้กายแล้วนะรู้กายแล้วเราจะสังเกต จ, จิตของเราได้ไวขึ้นนะ เพราะเมื่อเราสามารถเห็นว่าเขาคิดแวบไปแวบไปเมื่อก่อนเราไม่รู้นะมันจะคิดไปยาว20นาทีครึ่งชั่วโมงไปเลยแต่มาตอนหลังเราสามารถสังเกตกายได้เป็นเครื่องอยู่ปุ๊บจิตแวบไปปุ๊บเราจะรู้ทันรู้ทันเพราะว่าอะไรเพราะว่าสติเราเริ่มไวขึ้นแล้วนะการสังเกตกายเนี่ยก็เลยเป็นของหยาแต่เมื่อเขาหยาบไปเรื่อยๆนะการนิตัยสังเกตเขาจะเกิดการละเอียดขึ้นจะสังเกตอาการกายที่มันละเอียดขึ้นเรื่อยๆเนาะ มันก็สังเกตใจที่ละเอียดขึ้นได้ด้วยนะเมื่อก่อนมันต้องโกรธแรงนะโกรธแรงเราค่อยรู้ทันนะค่อยรู้ทันแต่เมื่อใจเรามีความละเอียดในการสังเกตแล้วก็จะรู้ทันแม้แต่โกรธเล็กๆน้อยๆหรือความขัดเคืองความญหงุดหงิดเล็กๆน้อยก็รู้ทันตรงนี้จะมีประโยชน์มากเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่แหละคือการรู้ทันกินเลสในใจเราเพราะฉะนั้นความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นรากมูลเป็นรากเง่าของกิเลสทั้งปวง มันก็เกิดกันที่เรารู้ทันนะรู้ทันนะอย่างที่ได้พูดไว้แล้วตั้งแต่ต้นว่าการนี้ต้องเวียนว่ายตายเกิดนับพลนับชาไม่ท้วนก็เพราะว่ากิเลส ใ, ในใจเรานั่นเองนะเมื่อเรารู้ทันกินเลสใ น, ในใจเราเป็นอย่างไรนะความโลภความโกรธความหลงเมื่อเรารู้ทันเข้ากันลดน้อยลงลดน้อยลงเบาลงเบาลงไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆจางคลายเนาะอันนี้นะมันไม่ใช่ว่าเป็นประโยชน์ในชาตินี้ภพนี้เท่านั้น ชาตนี้ภพนี้เราก็ความทุกข์เราก็ลดลงจากความโลภ ค, ความโกรธความหลงที่ก็น้อยลงเราความทุกข์ก็จะลดลงไปด้วยแต่ในขณะที่กันภพชาติที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดนับภพบนับชาติไม่ทั่วมันก็เกิดการลดลงลดลงลดลงไปด้วยเนาะพระพุทธจ้าได้ทรงตัดไปว่าเราเคยเกิดมานับภพบนับชาติไม่ทั่วแล้วเท่ากองกระดูกในแต่ละชาติมารวมกันจะเท่าเท่ากับเขา่าสติในรุเหลือน้ําตาที่เราหลังไหลในแต่ละชาติมารวมกันจะเท่ากับมหาสมุทรหรือว่ า, อาต้นข้าวในชมพูทวีป มาทาเป็นกรำกรำระสี่นี้วก็ยังน้อยกว่าภพชาติที่เราเคยเกิดมาหรือพวกเราเคยเกิดมปยาติพี่น้องกันมาทั้งหมดแล้วเพราะว่าภพชาติมันยาวมากนี่จะเห็นว่ามันมันยาวขนาดไหนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าในใจเราเนี่ยยังมีกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงอยู่แต่ว่าในขณะ น, นี้ปัจจุบันนี้ในภพนี้ชาตินี้เราสา ม, มารถรู้ทันนะรู้ทันแต่ในชาติดิเราจะรู้ไม่ทันแต่ว่าชาตินี้เป็นความโชคดียิ่งใหญ่ขนาดไหน ที่เราสามารถรู้ทันรู้ทันมันเพราะงั้นการที่เรารู้ทันกิเลนนี้เรียกว่าเราโชคดียิ่งกว่าถูกรัตติลิรางวัลที่หนึ่งครั้งติดติดกันนะเพราะว่าการถูกรัตติลิรางวัลที่หนึ่งมันรวยขนาดหมื่นล้านก็มีความทุกข์ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดนับพรมชาไม่ท่วนแต่เมื่อเราสามารถที่จะรู้ทันกิเลสในใจเราได้แล้วมันก็จะลดลงลดลงลดลงไปนะภพชาติก็ลดลงไปด้วยจนเจ้าสามารถที่จะยืนยันได้ว่าผู้ใดเจริญในสติปัฏฐานสี่ ก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในชาตินี้หรืออย่างน้อยก็บรรลุเป็นพระอน า, าคามีเนาะอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์และยิ่งใหญ่ในภพชาติที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในครั้งนี้เนาะสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นสิ่งที่ว่ามันไม่ได้เป็นของยากอะไรเพราะการบรรลุธรรมในสมัยพุทธกาลก็มีมากมายนะแต่ว่าคนในยุคใหม่ไม่รู้ก็ไปทําให้ยากนั่นเองนะไปเจริญอะไรบางอย่างที่มันยากแล้วก็กลายเข้าถึงยากเนาะ แต่จริงๆกลับมารู้ได้ไหมขณะนี้กําลังทําอยู่กลางยืนเดินนั่งนอนหรือบทย่อย ต, ต่างๆเรารู้ทันไหมนะเป็นการกลับมารูเท่านั้นเองนะเมื่อเรากลับมารู้ในตรงนี้แล้วสิ่งที่มันหลงไปเราก็รู้ทันรู้ทันเพราะมันก็กลับมาอยู่ในไปบันนี่แหละในขั้นแรกนี้ก่อนเนาะคัานนี้เมื่อเรารู้ทันแล้วเราจะเกิดสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นว่าเราจะเห็นอะไรนะ มันจะเห็นว่าเออเมื่อวานนี้เราปฏิบัติดีนะวันนี้มันปฏิบัติไม่ดีหรือเมื่อตอนเช้าปฏิบัติดีตอนบ่ายมันไม่ดีนี่คือเขาแสดงอะไรเขาแสดงปัตติลักษ์นั่นเองใช่ไหมความไม่เที่ยงทําไมเขาไม่ดีทุกวันถ้ามันดีทุกวันก็แสดงว่าเราบังคับเขาได้แต่เหตุที่เขาไม่ดีทุกวันก็เพราะเราบังคับเขาไม่ได้นั่นเองเขาจึงแสดงความไม่เที่ยงเนาะความไม่เที่ยงนั่นแหละมันก็คือความทุกข์นั่นเองนะความไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นความทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าใน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 จากนั้นพระเจ้าก็จะทรงยากย้ายว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรเมื่อแสดงจบแล้วระบยกขีก็บรรลุปเป็นพระหันทั้งหมดนะอันนี้ก็คือการกลับมารู้ในสภาวะของปัตยรักนั่นเองมันแสดงความไม่เที่ยงตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเราหวังให้มันเที่ยงนะต้องดีทุกๆครั้งนะประวัติแล้วต้องดีทุกครั้งอันนะั้นเราก็จะมีความทุกข์เองนะแต่เมื่อเราสามารถที่จะยอมรับความจริงได้ไหมว่าขณะนี้มันดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ มันก็จะง่ายขึ้นใช่ไบางคนอาจจะไปบาดที่สํานักปฏิบัติบางแห่งโอ้มันดีนะปฏิบัติดีมากเลยนะมันดีมากแต่พอกลับไปถึงบ้านแล้วมันไม่ดีนะมันก็มีความทุกข์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่เข้าใจในความไม่เที่ยงแล้วเราเกิดความยึดมั่นถือมัน่นเพราะเมื่อในการปฏิบัติที่สํานักใดก็สํานักหนึ่งก็แล้วแต่มันดีก็ไม่เป็นไรมันไม่ดีก็ไม่เป็นไรนี่คือความจริงการที่ยอมรับความจริงว่ามันดีก็ไม่เป็นไรไม่ดีก็ไม่เป็นไรนี่แหละ เมื่อเรากลับถึงบ้านแล้วมันก็ดีก็ไม่เปลนไไม่ดีก็ไม่เป็ไรก็เหมือนกันใช่ไหมมันไม่ใช่ต้องดีต้องดีมันก็อยู่ที่สํานักไม่ยําเป็นจิตที่มันยอมรับในความดีก็ไม่เป็นไไม่ดีก็ไม่เป็นไรั่นแหละคือการยอมรับความจริงในพระไตรลักษณ์เพราะว่าอะไรเพราะเราไม่อาจจะบังคับบัญชาสิ่งใดได้เขาจึงแสดงว่าบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีเมื่อเขาดีแล้วเราไปติดใจไปยึดเขาเราก็ยัมีความทุกข์เองเนาะ เพราะนั้นใจที่ใจที่เข้าใจในความจริงของปไตยรักในการที่ระวังคับบัญชาสิ่งต่างไม่ได้เขาจะแสดงความจริงหรือส่ธรรมออกมาเห็นแล้วว่าสิ่งต่างเหล่านั้นมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตาตรงนี้แหละถ้าผู้ที่ไม่เข้าใจในตรงนี้ก็จะมีความทุกข์ไปเรื่อยๆนะเพราะเราอยากจะดีอยากจะเก่งอยากจะวิเศษอยากจะบรรลุธรรมหรือสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นหนทางที่เราว่า เราจะเนิ่นช้าแต่เมื่อสามารถที่จะเข้าใจในปัตยรักแล้วว่าสิ่งต่า ง, ะางระบัดระบัญชาก็ไม่ได้เพราะสิ่งใดที่เกิดขึ้นก็นแล้วแต่นะมันจะดีหรือไม่ดีก็ไม่เป็นไรอันนี้แหละเราแค่ดูด้วยความเป็นกลางเท่านั้นเองไม่ใช่ราบิดเพื่อให้มันดีนะแต่เมื่อเราเห็นในความเป็นกลางเท่านั้นว่าสิ่งต่างระบังคับชาไม่ได้เลยบางครั้งเขาดีก็ไม่เป็นไรดีก็ดีไปนะไม่ดีก็ไม่ดีก็ไม่เป็นไรนี่แหละใจจะเป็นกลาง จากการที่ใจเป็นกลางนี่แหละมันจะเข้าใจเข้าถึงทำมาได้ง่ายขึ้นเพราะทุกอย่างเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อต้องการต้องให้ดีให้เป็นให้อยากทุกว่าต้องให้ดีให้เป็นหรืออยากจะเป็นอะไรอยากได้อะไรนะนั่ น, ม, นมันจะเป็นการเดินชา้าเพราะว่ามันเป็นการตัณหาเนาะปฏิบั <c oughs> ติเพื่อเห็นความจริงว่าทุกอย่าง <c oughs> ทุกอย่างเนี่ยเราไม่อาจที่จะทำอะไรก็ได้นะเราแค่รู้ความจริงไปเท่านั้นเองให้เห็นนะทุกอย่างเราบังคับบัญชาไม่ได้ เพราะนั้นสิ่งต่างๆที่แสดงออกนั้นก็คือศาสนธรรมที่เราบังคับบัญชาเข้าไม่ได้ทั้งสิ้นบางครั้งเขาจึงดีบางครั้งเขาก็ไม่ดีบางครั้งเขาก็ไปทางซ้ายบางครั้งเขาก็ไปทางขวาบางครั้งเขาขึ้นบนบางครั้งก็ลงล่างเนาะถ้าใจเราเป็นกลางแล้วเราจะรู้ว่าเออขณะนี้ใจเราไปทางขวาใจเราไปทางซ้ายนะใจเราขึ้นบนใจเราขึ้นล่างเราไม่ต้องบอกว่าเออใจต้องไปทางขวานะใจต้องไปทางซ้ายไม่ยั่งเป็น เข้าไปทางขวาทําไปเข้าไปทางซ้ายเข้าไปทางซ้ายทำไปเข้าไปทางขวานี่แหละอันนี้คือตัณหาแต่ถ้ารู้ความจริงเท่านั้นนึกว่าใจจะไปทางขวาก็รู้ว่าเขาไปใจทางซ้ายก็รู้ว่าเขาไปทางซ้ายเพราะฉนั้นกิเลสนะเขาไม่กลัวอะไรเลยไม่ได้กลัวอะไรเราทั้งสิ้นเขากลัวเรารู้ทันเท่านั้นเองนะกลัวเรารู้ทันเมื่อเรารู้ทันแล้วนะเขาจะอยู่ในใจแล้วไม่ได้นะเพราะเราจึงไม่ต้องว่าเอาดีหรือเอาไม่ดีแต่เรารู้ไม่ขนาดเนี้ใจเราเป็นอย่างไรเรารู้ทันกิเลสไหมได้ไมม ถ้ากิเลเกิดขึ้นแล้วน ะ, ะนี่คือความจริงของกิเลสที่เขาแสดงการเกิดขึ้นมาของเขาแต่ว่าหน้าที่เราไม่ีหน้าที่รู้เขาเท่านั้นเองเราไม่มีหน้าที่ไปจัดการกับกิเลสนะเรามีหน้าที่รู้เมื่อเรารู้แล้วเขาจะอยู่ในใจแล้วไม่ได้เนาะใจของเรานะเปรียบสเสมือนกำลังโจร น, นะลังโจรที่มันอาศัยมานานแล้วละ่ะกิเลสความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันอยู่ในใจเรามานานแล้ว ใจเราจึงปิดเหมือนลังโจรเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนเราไม่รู้ทันกิเลสนะไม่รู้ทันกิเลสแต่เมื่อเรารู้ทันกิเลสแล้วเขาอยู่ในใจเราไม่ได้นะมันเกิดจากการให้เรารู้ทันนั่นเองนะอย่างเช่นมีใครมาขโมยของในบ้านเรานะถ้าเราไม่รู้ว่าใครมาขโมยของก็จะไม่คนมาขโมยของไปเรื่อยๆนะแต่เมื่อไใดเรารู้ว่าเออคนไหนคือขโมยนะเขาเข้ามาผู้เรามองหน้าเขาพอก็รู้แล้วรู้ทันว่าเขาเป็นขโมยก็จะหนีทันทีเลย ฉันใดก็ฉันนั้นนะเมื่อก่อนเรารู้ไม่ทันความโกรธเราก็จะกดไปบ่อยโกดไปบ่อยแต่เมื่อเรารู้ทันปุ๊บมันจะเบาลงน้อยลงไปเรื่อยๆความโลภเหมือนกันนะเมื่อก่อนเราไปเที่ยวตามห้างไปเจอกระเป๋าเจอเสื้อผ้าเราก็อยากจะได้นะอยากจะซื้อทั้งๆนี้เราก็มีอยู่เยอะแยะแล้วแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้ทันโอ้ขณะนี้จิตละโลภของมาแล้วนะรู้ทันความโลภในใจเรามันจะลดลงลดลงเราจะเกิดปัญญาพิจารณาว่ามันจําเป็นไหมเราจะเกิด การไต่ตองขึ้นมาเนาะเพราะสิ่งต่างเหล่านี้นะความโลภความโกรธความหลงก็ดีนะมันมันคือลังโจรในใจเราอยู่แล้วมันซ่องสมมานับพรมชาไม่ท้วนแล้วแต่มื่อใดที่เรารู้ทันรู้ทันอาการของใจนะรู้ทันมันเท่านั้นเองมันจะค่อยๆจางไปจางไปมันจะอพยพออกจากใจเราไปหมดเลยเนาะเพราะตรงนี้ถึงว่าใจเราในะมีความเป็นกลางไหมในการจะดูกิเลสต่างๆนะเราไม่ต้องให้เขาดีนะไม่ต้องให้เขาไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่ต้องให้เขาสงบ ต่างๆอ่ะไม่จําเป็นสิ่งใดๆที่ปรากฏในใจเราจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้เราแค่ดูแค่รู้เข้าไปเท่านั้นเองนะดูรู้เฉยๆนะเขาจะหนีไปจากไปเนาะ <S <S สมัยหนึ่งหลวงพ่อคเขียนเคยบอกว่าอ่ามันจะมีเสือตัวหนึ่งนะอ่าในพายไม่จับเสือมาได้เนี่ยเอาลูกกอง5้ซไปขังมันก็ไม่อยู่ลูกกง8ปไปขังมันก็ไม่อยู่ลูกกง10บไปขังมันก็ไม่อยู่ลูกกง227รไปขังก็งไม่รู้ไม่อยู่เนาะ ลูกกงห้าซี่ก็คือประชาชนที่มีศีลห้าแปดซี่คือมชัชีมีศีลแปดสิบซี่ก็คือสามเณรมีศีลสิบสองรยิบเจ็ดซี่ก็คือพระภิกษุมีศีลสองร้อย่ิบเ็ดไขังเสือตัวนี้ไม่ได้เสือนี่กิกิเลตตัวใหญ่คือตันหานนั่นเอง <c oughs> แต่ว่าหลวงพ่อมาเกีมาว่ามีลูกกงซี่เดียวสามารถขังเสือตัวนี้ได้ลูกกงซี่นี้ที่ขังได้ก็คือสตินั่นเองนะเมื่อมีสติรู้เท่าทันอสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในใจเราแล้วเนี่ยมันจะ กำเลิบไม่ได้มันจะแสดงอาการต่างๆไม่ได้มันจะอยู่ในใจเราต่อไปนานไม่ได้มันจะหนีไปจะจากไปในทีสุดที่สุดนะ <c oughs> เพราะนั้นอาจกล่าวได้ว่าธรรมะทั้งปวงสามารถรวมลงไปในสติได้ชั้นใดเปรียบเหมือนกับรอยเท้าสัตว์บกทุกชนิด <c oughs> รวมเป็นรอยเท้าช้างได้ฉันนั้น <c oughs> เพราะนั้นสตินี่แหละคือ ความที่เราเริ่มต้นในการที่จะเจริญธรรมต่อไปนะมันจะเริ่มด้วยสติสมาธิปัญญามันจะมีสติเมื่อมีสติแล้วสมาธิก็จะตามมาปัญญาก็ตามมาและนี่แหละคือคนทางแห่งการพ้นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าได้สรงคนพบไปเมื่อ2000นกว่าปีก่อนแล้วได้นามาเผยแผ่ประชาชนจนถึงทุนจนถึงพวกเราทุกวันนี้เนาะเพราะนั้นในวันนี้ก็เป็นวันวิสาขาบูชานะก็ขอน้อมรักนาบรารมีคุณพระนตรัย น้อมนำนุท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกได้โดยเร็วพันธุท่านเทิน